ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาวรชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้จะได้นำเรื่องพิตสูตรประสูตรที่ว่าโดยสิ่งซึ่งเกือ้อกูลมาเสนอแด้ท่านผูกฟังธรรมะในหมวดนี้อย่างที่ได้บรรยายไว้ในวันก่อนคยใช้องค์ธรรมชุดเดียวกัน ่ะ แ, แสดงไว้หลายสถานะจึมีการพูดถึงศรัทธาหิริอตรุตลปะววริยะปัญญาในฐานะที่เป็นกำลังกระจัดกิเลส mm hmm. ก็เรียกชื่อไว้ในยะต่างๆแล้วปถึงชุดหนึ่งก็พูดถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นอินทรีย์หรือเป็นพระราธรรม ก็จะพูดไว้ในยะต่างๆชันเดียวกันคือหมายความว่าตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็แสดงในโอกาสห่างๆกันนะฮะคือกลุ่มคนเองก็แตกต่างกันแต่ว่าพอมีการสังเกตนาท่านก็รวบรวมเรียบเรียงมาไว้ในที่เดียวกันเพื่อสะดวกต่อการศึกษาทเทียบเคียงเพราะว่าส่วนใหญ่จะทรงแสดงโดยในยะ โ, โดยปริยาย หรือไม่เอามาเทศทีเดียวสมบูรณ์ก็ดูผู้ฟังวาจารธิบายกันยังไงล้วจะพูดเฉพาะปริยายนั้นวันนี้จะพูดถึงธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งในพระบาลีเองนั้นเรียกว่าหิตาสูตรหิตะก็คือเกื้อกูลที่เราพูด่าหิตายาสุขายาเนี่ยแปลว่าเกื้อกูล แต่ว่าองค์ธรรมนั้นมีห้าข้อเหมือนกันทุกๆทุกสูตรนะครัท่านก็เรียกว่าปัธรมอิทิสูตรทุติยอิทธิสูตรตัยยาอิตสูตรเจตุตตะอิตสูตรก็เรียกหนึ่งสองสามสี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่มาเลยมาสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สี่เป็นการสะท้อนสะท้อนภาพของบุคคลภายในสังคม คือไม่ใช่สอนนะฮะแต่สะท้อนภาพในโกาสสะท้อนภาพอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนในโลกนี้ก็มีอยู่สี่ประเภทมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปก็หมายความเขามียเขาอยู่แงยพระเจ้าก็สะท้อนมาให้ดูหรือพูดถึงคู่สามีพัญญา ยักษ์อยู่ร่วมกับยักษ์กินีเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์ยักษ์อยู่ร่วมกับเทพยักษกินีอยู่ร่วมกับเทพบระภูแล้วก็เทพธิดาอยู่ร่วมกับเทพประภูก็เป็นภาพอย่างเงี้ยมันมีอยู่ผู้โลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้สามีพัญญาบางทีก็ร้ายทั้งคู่บางทีก็ฝวายหนึ่งดีค่ายหนึ่งไม่ดีนะผัวดีเมียไม่ดีหรือเมียดีเออ่ เมียดีผัวไม่ดีหรือว่าดีทั้งคู่ก็เป็นเหมือนกัะเทพประวุัิเทพตินดาแนวภาพเหล่านี้จะจะสะท้อนไว้เยอะคล้ายๆกระตุ้นเตือนให้นำไปพิจารณาเทียบเคียงดูตัวเองว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้สอนนะไม่ได้อธิบายเพียงแต่สะท้อนมาดูเรื่การปฏิบัติของคนเราก็เหมือนกันกระทรงจาแนกไว้เป็นสี่กลุ่ม ตามโครงสร้างของสิ่งที่เรียกอย่างหนึ่งว่าสารธรรมทั้งห้าคือธรรมะในพุทธศาสนาจะพูดถึงโดยการปฏิบัตินะะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะฮะพูดต 80, 000, 000รรั้งแปดหมืนสี่พันมาทรอากาเนี่ยพอปฏิบัติเนี่ยจะพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญากะทานศีลภาวนากิเลสมันมีสามคือโลภโกรธหลงธรรมะก็มีสาม แก้โลค ก, กดหลงพอธรรมะก็สมบูรณ์นี่กิเลสก็จะหมดไปอย่างสมบูรณ์ก่อนรู้เจ้าจะไปนิพพานจะเน้นธรรมะชุดเนี้มากเทศที่ไหนก็พูดห้าข้อเนี่ยแค่สรุปสรุป ก, ก่อนจะไปนิพพานบางทีท่านเรียกว่าเป็นธรรมขัน ถ้านั้นหลายคงจะเคยได้ยินธรรมคขันธรรมขันคือกองหรือหมวดหรือกลุ่มของธรรมะจนมีอยู่ห้าขันเหมือนกันบางทีก็ เ, เรียกสาระซึ่งเปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่มีแก่นแล้วก็เรียงไปโดยลำดับเอาแก่นที่แท้จริงเนี่ยคืออะไร บางทีก็เรียกเรื่องไตรสิกขาสรุปแล้วก็คือองค์ธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณัตาสนะศาศาห้าข้อนะดันั้นเรามาพูดองค์ธรรมซะก่อนศีล น, นั้นโดยโดยรวมโดยโดยเจตนาจริงๆเป็นกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพิพนิจพิจารณาในแนว เอาใจเขาใส่ใจเรานะหรือแนวที่ไม่โดนก็ไปใช้อัตตานังอูปมังเกะเร น, นะฮะในความท่านทําตนเป็นอุปมาเทียบเคียงแล้วมองเห็นว่าการอะไรก็ตามที่คนอื่นทำต่อเราเราไม่ต้องการไม่ปรารถนาเราทําต่อคนอื่นคนอื่นก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนาแล้วตั้งใจสํารวมระวังเพราะแนวสีน่นิที่จริงมั น, ม, น, ม, นมันเรื่องมโนธรรมสํานึกคือเกิดสํารวมระวังขึ้นมาคือเกิดแนวความคิดว่ามันไม่เหมาะไม่ควรนะทําอย่างเงี้ แต่เราทำกับเราเราก็ไม่ชอบเราทากับค น, นคนอื่นทำกับเขาคนอื่นทากับเราเราก็ไม่ชอบเราทำเขาเขาก็ไม่ชอบอยายที่เคยเล่าเรื่องจักกะจักกะนั้นมีเงื่อนไขพอแม่เขาป่วยหนักหมอบอกว่าจะบาบัดโรคให้แม่หายได้ก็ต้องใช้เลือด ก, กระต่ายสดๆเป็นคือประกอบยา มันก็มีปัญหาว่ากระต่ายสดๆมันต้องจับมาฆ่าพิชาก็บอกให้น้องชายไปจับกระต่ายก็ป่ามันก็เยอะนะฮะการจับไล่ ย, ยีฟมันก็จับได้ว่าจับกระต่ายมันร้องแสดงความหวาดกลัวเกก็ฉุกใจคิดจากการที่สัตว์ทั้งหลายนั้นมีความหวาดกลัวหวาดสะดุ้งต่ อ, อภัันยต่อความตายแต่ก็มันคิดว่ามันไม่เป็นการยุติธรรมเลยที่เราต้องการจะถ่ายชีวิตแม่เรากับ ชีวิตของแม่สัตว์อื่นกระต่ายมันก็มีเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อเหมือนกันก็มีเป็นเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเราฆ่าเขาเนี่ยเขาก็มีสิ่งในเครือญาติเ้าจะต้องพลัดพลาดไปอีกแกโดยตัดสิในใจปล่อยกระต่ายและอธิษฐานไปรูป ก, กันสัตว์วาจารักษาแม่โดยไม่ต้องใช้เนื้อเนื้อเลือดกระต่ายสด มันก็หายได้เราเห็นว่าตอนนั้นที่จริงแกก็ยังไม่ได้สมาทานศีลอะไรเพียงแต่ว่ามันเกิดความคิดเป็นกุศลและเจตนาที่มีปัญญาเข้ากากับคือปัญญาพินิจพิจารณาเห็นว่าแนวของศีลจะทรงอธิบายไว้หลายในอย่ะเดวยกันแล้วแต่มุมมองคือเราจะมองในแนวไหน เรามองในแนวที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองจปนทรงแสดงว่าศีลังบาลังอัปปิบังศีลเป็นกําลังอย่างไม่มีที่เปรียบกำลังในการป้องกันกำลังในการบำบัดกำลังในการรักษากำลังในการบารุงกำลังในการรักษาต้องการความชั่วกรจัยความชั่วรักษาความดีพัฒนาสร้างความดีเรารักษาความ สีรังอาวุธสมุตธรมังศีลเป็นอาวุธที่ประเสริฐสุดเป็นผู้ฆ่าความชั่วเป็นผู้ทําลายความชั่วเป็นกันหยุดตัวเองไว้แม้จะมีคนมาก้าวร้ามาล่วงเกินเราก็ไม่ไปกระทําเพราะมองเห็นเป็นบาป ท, ที่ตัวเองจะต้องชดใช้ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ภายภาคหน้าแล้วก็ สีลังอาภารนังเสร็จถังศีงลเป็นเครื่องประดับเราจะเห็นว่าคนที่ไปหาหลวงพ่อหลวงปู่สุปฏิปันโนที่จริงก็ไม่มีอะไรนะฮะทำาะไรสวยงามในส่วนร่างกายอะไรแต่ไปด้วยความงามคือศีลไปด้วยกยลิ่นศีลผนศีลจึงกลายเป็นเครื่องประดับที่สร้างความสวยงามสร้างความประทับใจ คนอยากดูอยากกราบอยากไหว้อยากตะการบูชาที่ก็ขอให้ได้เห็นเท่านั้นเองนะครสีลังกวาจะมาพูดางสีเป็นเกาะสีเป็นเกาะที่ป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้เพราะเมื่อเราไปที่ใดก็ตามมีสัญลักษณ์ของความเป็นผู้มีศีแสดงออกซึ่งความมีศีแล้วก็กลายเป็นเกาะที่คุ้มครองป้องกันอันตราย เช่นว่าในหมู่สังคมพูดด้วยกันนะฮะเมื่อเห็นผ้าการสวปพัฒนแล้วเนี่ยมันก็จุกแต่ญาติโยมนั้นก็ไม่มีสัญลักษณ์เป็นเป็นเป็นผ้าเป็นอะไรมันก็ต้องแสดงวสความเป็นผู้มีศีนออกมาก็เห็นพราะว่ากลายเป็นเกราะจะคุ้มครองป้องกันอันตรายให้นี้แสดงว่ามุมมองที่เราต้องการได้ก็คือต้องการเป็นเครื่องประดับตัวเอง เป็นเครือพัฒนาตัวเองยกระดับใจิตใจตัวเองแล้วเราคิดจากจุดนี้เราก็ไปแล้วบางทีก็มองถึงผลที่เราจะได้ยาวๆนะเช่นท้ายศีลที่เรณยสุขติยนติคนจะบังเกิดในสุขติได้ก็เพราะศีลสมบูรณ์ในพวกกัสมบัติก็ได้ก็เพราะศีลแล้วก็บรรลุผลที่ผ่านได้ก็เพราะศีลก็เราเกิดต้องการผลทาวรยาวนาในลักษณะนั้นก็มีการสมาทานศีลคือสรุปว่าตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ แล้วแต่ใครจะคิดแต่นะฮะคิดอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรปรัญหาสําคัญอยู่ที่การสามารถรักษาศีลได้มันก็เหมือนกันแนวเข้าวัดของท่านสาสดาหลายหรือ แ, แนวบวชของพระภิกษุษษสามเณรเจตนาในการบวชเริ่มต้นเนี่ยมันเอานิยายอะไรมันไม่ได้หรอกมันไม่จะเกณฑ์มาตรฐานอะไรเจตนาในการบวชของคนเ พ, พราะอะไรเพราะคนอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายถ้ามีเจตนาบวชไม่เหมือนกันเลย บางองค์นั้นบวชเพราะจำใจนะฮะอย่างเช่นขนนอ น, น้องพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่รู้จะพูดยังไงพระพุทธเจ้าถามมนท์จะบวชไหมก็กลัวก็กลัวเคารพเคารพมากนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไม่มีคำตอบอื่นนะและในสุดบอกจะบวชคือคนแต่งงานใหม่และยังไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาวอะไรเลยพระพุทธเจ้าให้ถือบาทตามหลังเข้าวัดเลย มันก็สาหัสสาการ น, น่าดูนะฮะแต่ว่าท่านท่านท่า น, านต้องยอมอ่ะท่านต้องจำจาใจยอมบางคนบวชเพราะเพื่อนอย่างอย่างพระพัติยะเป็นกรรษัตริย์ครองเมืองแล้วนะเป็นสหายรักกับพระอนุรุธคราวพระอนุรุธจะบวชท่านไปขอให้พัติยะบวช ด, ด้วยไม่ใช่ไปขอหรอคือแม่ แม่ต้องการจะยืมมือยืมมือพระเจ้าพัทยาเนี่ยให้ป้องกันพระอนุรุตไม่ให้บวดโดยตั้งเงื่อนไขไว้ว่าถ้าพัทยะบวดด้วยแล้วแม่จะให้ลูกบวดอนุรุตอยากจะบวดแต่วบวดคนเดียวไม่ได้เพราะแม่จะไม่ยอมเลยก็ต้องไปบีบเอาเพื่อนต้องสละราชสมบัติบวชตามเขาอันนี้เรียกวบวชเพราะเพื่อน ปฏิบัติบทพระจำเป็นเช่นว่าการครองชีวิตมีปัญหาอย่างท่านราธะเนี่ยการครองชีวิตมีปัญหาญาติพี่น้องก็ไม่มีในสุดก็บวดแล้วผลท้ายมันบวดมันปรับทีหลังหลังจะบวดแล้วเนี่ยจะปรับตัวเองได้ทีหลังเหมือนพระยาเมลินถามพระนาคเสนเนี่ยว่าพระนีบ่บวชบวชทำอะไร บอกว่าตามหลักนะเขาว่าทํานิพพานให้แจ้งแตถามว่าคุณเจ้าในบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งหรือเปล่าบอโอ้ยตอนนั้นนามายัางเด็กๆไม่รู้เรื่องอ่นิพพานเป็นยังไงมันไม่รู้เรื่องอ่ะ น, นะฮะนิพพานไม่นิพพานท่านไม่รู้เรื่องแต่เป็นเด็กแต่ว่าท่านปรับบทีหลังก็มีคําคําถามประโยคเนี้ก็เคยมีคนก็มาถามต้นเด็จประสังกษราชเจ้าที่มีพระรูปอยู่ข้างล่าง อาตางฟาบาดเนี่ยทำไมจึงบวชโดไม่รู้ตอนนั้นกันอย่งเด็กๆผู้ใหญ่บอกให้บวชก็บวชอ่ะอันนี้แสดงเราไม่รู้นะก็ผู้ใหญ่ก็จับบวชอ่ะไม่รู้บวชทําอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับขึ้นมาทีหลังเราค่อยๆปรับตัวเองเพรา ะ, ะนั้นการเข้าวัดของท่านสาวชนทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นบางทีเพื่อนชวนมาบางทีก็ไปดูซิมีอะไรบ้างอะไรอะไก็ว่าไปะปรับๆแล้วค่อยปรับตัวเองทีหลังโดยปรับเข้า เรียกว่าทํานองครองธรรมในโอกาสต่างการรักษาศีลก็เหมือนกันคือเจตนาที่เราคิดเนี่ยมันก็แล้วแต่จะคิดเดี๋ยวดิเคยพูดเรื่องสาธุสูตรพูดเรื่องการให้ทานเนี่ยเจตนาในการให้ทานเฉพาะในประสูตรนั้นมันมีตั้งห้าหกเจ็ดอย่างแต่ยิ่งก็คือการให้ทาน แ, แล้วแต่ใครจะคิดคิดแนว ใ, ใดก็ตามขอให้ทําดีได้ก็แล้วกันเพราะการรักษาศีลบางอย่างท่านจะเห็นว่าเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้า คือบางอย่างเราหาเหตุผลไม่ได้เอ๊ะทำไมต้องห้ามละ่ะอย่างเงี้ยทําไมต้องห้ามทําไมห้ามพระตัดต้นไม้อ่ะมันเป็นอะไรถึงห้ามตัดต้นไม้ชาวบ้านสงสัยทำไมจึงห้ามกินข้าวเย็นอ่ะคือคือคื อ, คอเรากรอกอธิบายไม่ได้หรอกบางทีก็ไม่ต้องอธิบายแล้วเชื่อตามนิพุสชาววากอะไรกันนี่คือแนวสีล สีนึงแปลว่าการงดเว้นการสำรวมระวังการไม่ล่วงละเมิดความปกติทางกายทางวาจาตลอดถึงความยืกเย็นแล้วความคนมีสีเนี่ยมันเย็นไปอยู่ที่ไหนก็เย็นไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรามาอย่างนึกขำไปไปนครนะนะะสมัยนั้นคอมมอนิสต์กับทหารกำลับบงยิงกันเลยเอามาก็ เห็นมันทางรัดถนนใหม่ก็ให้รถก็ไปกลางดึกถ่าไปแดงคอมานิ์เลยทหารมาตกใจมันเรียกเขาหยุดมันขึ้นเดีคุ้มกันหลวงพ่อบอกจะคุ้มกันหลวงพ่อบอกเฮ้ยเธอทำยุ่งนะฉันอีวอนฉังคุ้มกันฉันได้เนี่ยเธอขึ้นหมายคอมนิดมันยิงเธอเราจะก็โดนฉันพอดีเลยแกไม่ยอมเลยแกขึ้นคุ้มกันไปส่งที่ทุง่งสงไอเราก็เสียวแล้วก็เรานั่งเฉยๆเราก็สบายดีนะฮะเราก็เชื่อใจเราแต่ตอนนี้เราก็ไม่เชื่อใจเท่าไหร่ ทหารเกิดมาคุ้มกันแต่หมายความว่ามันไม่สาหัสสาการจริงๆแล้วถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาไม่ทำเรา ก, ก็พระยังไงนะฮะคนไทยนะจะเพราะว่าคนพุทธเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ทำหรอกมันคือสั ญ, ญลักษณ์มันมีสั ญ, ญลักษณ์เขาไม่จําเป็นจะต้องรู้จักว่าเป็นใครแต่ว่าก็มีสั ญ, ญลักษณ์เป็นผ้ากาอซพัดจุกเราะนอาการสั ญ, ญลักษณ์ของชาวบ้านคือการสำรวจระวัง การตารวจระวังแสดงถึงการไม่ล่วงละเมิดบทบัญญัติของจีนทั้งหลายและการรักษาสินนั้นก็ส่งแสดงไปรูปอนิสงส์ที่เราเห็นได้ทั้งทั้งชาตินี้นะฮะชาติหน้าแล้วก็อุปนิสัยปัจจัยก่อนนิพพานมันมันแสดงอนิสงส์สามช่วงช่วงในชาติปัจจุบันก็คือ เป็นผู้ที่มีเกียตรติคุณชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายและจะเข้าไปในที่ใดก็องอาจกล้าหาญไม่ขั้นคร้าวไม่หวาดเกรงไม่กลัวคนจะมีการโจดท่วงกระซุบสิบนินทาใดๆคือไม่หวาดกันอะไรและจะเป็นที่รักของคนเป็นอันมากอันนั้น ก, ก็แสดงว่าเป็นผลที่เราจะเห็นได้ในปัจจุบันและอนันิีสงต่างๆอีกเป็น ทีนี้ก็ไม่หลงตายเพงหมืนความว่าเชื่อมต่อระหว่างชาติปัจจุบันกับชาติชาติหน้าตายไปแล้ววังเกิดในสุคติอันนี้เป็นผลในชาติหน้าแต่ในขณะเดียวกันศีลนั้นเป็นบันไดแรกของการเข้าสู่นิพพานมันก็เป็นอุปเิกัยปัจจัยของมรรค น, นิพพานแสดงว่าให้ผลทั้งสามระดับในขณะนั้นๆในโอกาสต่อไปแล้วก็เป็นอุปเิกัยปัจจัยของนิพพานประการต่อไปนั้นคือสมาธิ สมาธิขันเรียกว่ากองสมาธิหรือสมาธิสาระแรลว่าแก่นคือสมาธิซึ่งหมายความถึงการปฏิบัติที่พัฒนาจิตใจให้มีความสงบจากรองเครื่องสมองใจคือคือที่จริงไอ้รูปแบบก็คือรูปแบบนะฮะรูปแบบนั่งคูบรรลงังตั้งกายตรงรารงส ต, ติไว้เฉพาะหน้ากาหนดรู้ลมหายใจเข้าจะออกแต่นั่นคือรูปแบบ แต่ว่าโดยเนื้อหาจริงๆคือจิตที่สงบจากนิวรธรรมทั้งหลายโดยวิธีใดก็ตามนอนก็ตามยืนก็ตามนั่งก็ตามเดินก็ตามนะฮะอยู่ในยาบทใดก็ได้มันไม่ได้ไม่ได้ไไดถูกจํากัดด้วยยาบทจริงๆนะีถูกจํากัดด้วยสภาพจิตคือตัวเนื้อหาจริงๆอนี่ยทีนี้มันมั น, ม, นมันส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันจังต่างเกิดโดยอาศัยรูปแบบมาก่อนใช้รูปแบบเป็นหลัก ในการที่จะประพฤติปฏิบัติต้องนั่งอย่างงั้นต้องยืดอย่างงั้นต้องไหวอย่างงั้นต้องกราวอย่า ง, งั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบในสมาธิจึงมีทั้งในส่วนที่เป็นรูปแบบแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อหาแต่ตัวเนื้อหาจริงๆคือจิตสงบจากนิวพระอาจตรยยังกล่าวไว้ว่า การปฏิบัติอย่างใดก็ตามที่ทำให้ใจสงบจากนิวรธรรมทั้งห้าลงไปได้การปฏิบัตินั้นเรียกว่าสมถกรรมฐานสมาธินั้นเป็นผลของสมถกรรมฐานตั้นเห็นว่าคาตัง น, นี้มั น, ม น, มนกระซ้ากันอยู่เยอะที่จริงก็เป็นอาการเหมือนกันบางแห่งเรียกว่าอารามมโนปนิชานคือเพ่งให้จิตเป็นสงบเพ่งอะไรก็ได้ดูอะไรก็ได้ มีข้อแม้ว่าจิตสงบจากนิวรณหรือไม่ถ้าสงบก็ถือว่าใช้ได้นั่งเพ่งดูพรหมอย่างนี้ก็ได้เพ่งดูลงไฟก็ได้เพ่งดูฝาผนังก็ได้ใบ ไ, ไม้ก็ได้ไมไ่ว่าอะไรมันไม่มีตัวรูปแบบที่เจาะจงลงไปแต่ว่าถ้าอาศัยสิ่งอะไรก็ตามจิตสงบได้ก็ถือว่าเป็นอาการของสมถกรรมฐานและตัวอาการเนี่ยตัวอาการเนี่ย ตัวชื่อเนี่ยท่านเรียกว่าสมถาะาสมถะาาก็แปลว่าสงบสมถะก็แปลว่าสงบสงบจากอะไรก็สงบจากนิวรณ์ทีนี้อาการที่ปรากฏแก่จิตเราท่านเรียกอยู่สองคำคำหนึ่งคือสมาธิแปลว่าจิตที่ตั้งมัน่นตั้งมั่นก็ไม่วอกแวกไม่คิดสายไปในอารมณ์ทั้งหลายหมายความว่าควบคุมพฤติกรรมเป็นการภราวะของจิตนะฮะ จิตนั้นเป็นธรรมชาติดิ้นโดนกวัดแกงห้ามยากราักษายากสายไปเรื่อยๆแต่เราก็สภาพของเขาก็คือคือก็เรียกว่าเจตสูอวูปัสะมะคือความไม่สงบของจิตธรรมชาติก็มันธรรมชาติเขาจิตมันกระครืดมันไม่นิ่งเลยทีนี้ถ้าถ้าเราสามารถคุมให้นิ่งได้เขาเรียกว่าจิตมันตั้งมั่นก็เป็นสมาธิ ต่นี้ก่อนจะตั้งมันจะมีคำอีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินว่าเอกะคะตานะคือจิตที่อยู่ด้วยอารมณ์อย่างเดียวเจนพุโทโธอย่างเดียวนะสมารหังอย่างเดียวอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนี่ไม่ไม่ได้ไปอพวกนี้เป็นอาการมันจะมีทั้งเหตุทั้งผลทั้งอาการทางวิธีการนะฮะวิธีการก็คือการเพ่ง การเพ่งได้เรียกว่าอารามานุปนิชานดูอะไรก็ได้นะะดูด้วยใจก็ได้ดูด้วยตาก็ได้อาจริงก็ดูด้วยฟังด้วยหูก็ได้นะฮะฟังด้วยหูก็ได้บางทีเสียงธรรมะที่มีการสวดมีการอะไรมีการสาธยายเราฟังแล้วใจเราสงบมันก็เป็นสมถะสมถะก็คือสงบพรามเนื้อหาจริงๆอยู่ที่นิวรณ์สงบตัวรูปแบบนั้นแต่ถ้ามีได้มันก็ดีนะฮะ ไม่มีก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นอะไรจะไปติดในรูปแบบไปมากเพราะถ้าไม่งั้นเราจะทําไม่ได้เลยจะโดนนั่งในรถเนี่ยนั่งในรถสมมติเรานั่งในรถกลางคืนมันก็นั่งสมาธิจะทําทําใจสงบอยู่กับเรื่องห น, นึ่งก็ไม่ต้องนั่งคูบพลงังตั้งกายตรงอะไรไปนั่งไม่ได้ก็นั่งเท่าที่นั่งแต่ว่าปัญหาสําคัญอยู่ที่ให้ใจสงบอยู่กับเรื่องห น, นึ่งๆตอนนั้นจะดูทิวทัศน์กก็ดูอะไรไม่เห็น นั่งหลับตาระลึกถึงพุทธคุณระลึกถึงอะไรหรือพิจารณาก็ได้นะฮะใจสงบในเรื่องนั้นก็เป็นวิธีการเขาเรียกว่าสมถะสมาธินิวรณ์ น, นั้นเป็นกิเลสที่เราเจอเรื่อย <laughs> เพราะว่าถ้าอาการมันเกิดแก่จิตนะฮะอาการที่ทํำก็เรียกว่ากุ่มรุมจิตอาการที่กุ่มรุมจิตเนี่ยจะเรียกว่า น, นิวรณ์ทั้งหมด เวลาขึ้นมาเช่นสังโยชน์สิบเดีเราก็มาพูดเรื่องสังโยชน์สิบสังโยชน์สิบก็คือนิวรณนห้ายิงๆคือนิวรณ์้าแล้วก็คืออะไรคืออกุศลกรรมบทไม่ใช่คื อ, อกุศลละมูลสามเว้าจะย่อยมันย่อยอยังไงก็ได้ย่อยต้งอะไรกิเลสพันห้าตถาหาร้อยแปดมันย่อยอยังไงก็ได้แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้นี้มันพวกนั้นน่ะ มันเหมือนกับต้นไม้นะฮะต้นไม้ก็ใบไม้ใบมีเยอะแต่หมายความเราจับใบปั๊บเราดึงไปที่ต้นได้ทันทีเลยอันนี้ใบนั้นใบนั่นใบนั่นใบนั้นเห็นไหมว่าไม่รู้ว่าสักกี่แสนใบก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรอะแต่จริงพอเราเห็นใบปั๊บเราจะบอกต้นมันได้ปุ๊บทันทีเลยว่าอันนี้ใบอะไรต้นมันก็มีต้นเดียวต้นเดียวแต่ใบมันมีก็มีเป็นแสนแสนล้านล้นอันนี้ก็คือ คือผลที่สืบเนื่องมาจากต้นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากต้นเพรา ะ, ะนั้นเราก็กลับไปที่ต้นมนได้ต้นมันก็คือโรคกวดหลงท่านนั้นเองนิวร น, นั้นเราจะเห็นว่าก็คือโรคปวดหลงเป็นอาการที่ปรากฏภายในจิตระดับเป็นนิวรนไมายความว่ากุ้มรุมจิตไม่ถึงก็พูดนะฮะไม่ถึงก็พูดไม่ถึงก็ทําถ้าพูดทําก็ไม่เรียกนิวรนแล้วก็เรียกวัตถุจริตวัตนะุจริตทางกายทางวาจา ระดับระดับความคิดในชักจะกลุ่มรุมมากคิดมากคิดสายเลยคิดสายคิดถึงเรื่องที่เราคร่ปรารถนาพอใจก็สายแกว่งวิ่งไปในอารมณ์เหล่านั้นทาเรียกว่านิวรณ์เพราะงั้นเมื่อปฏิบัติสงบนิวรณลงไปจนถึงระดับที่ท่านเรียกว่าเป็นฌานนะครับฌานก็คือจิตมันมันประณีตลงไปเรื่อยๆแล้วการสงบนิวรณ์ที่จึงสงบตั้งแต่ ตั้งแต่อั ป, ปนาสมาธิคือสมาธิที่ตั้งมัน่นมันก็เป็นฌานนะฮะเป็นฌานระดับแรกฌานระดับแรกมันจะเกิดกุศลธรรมขึ้นมาห้าข้อในขณะเดียวกันนิวรณ์ก็มีห้าข้อจากนี้เขาเรียกว่าก็ เ, าเรียกกดทับหรือปิดไว้หรือกลบไว้นะฮะมันมันมันก็ลักษณะคล้ายๆกับอะไรของสกปรกปอยู่ี่ห้าจุดเราก็เอาของมาวงวางวงวาง้ ว, ง ว, ง ว, ง ว, งวงปิดมันปิดหมด จะอยู่ข้างล่างนะฮะจริงๆก็อยู่ข้างล่างเป็นลักษณะเขาเรียกวิคขำพนาประหารคือกดไว้หรือทับไว้นะหรือปิดไว้การอุปมาเหมือนเขาเอาเสือลำแพนมาปูที่สนามมานะฮะก็นั่งได้สบายกัาหมดนะแต่ข้างล่างอะไรก็มีขี้หมาอะไรก็มีนะฮะขยะก็มีโครนก็มีเพียงแต่ว่าเราอยู่ข้างบนได้ นั่งข้างบนแต่ว่าพอพอยกเสือออกก็ก็เหมือนเดิมนะฮะใจมันจะเหมือนเดิมอาจจะสงบอาจจะเย็นอยู่บ้างถ้าหากว่ายังไม่กระทบอารมณ์แรงๆการต่อไปก็คือปัญญาปัญญาขันหรือปัญญาสาระเหมือนกันเราจะพบว่าเวลาทรงแสดงในที่แตกต่างกัน มีคนถามอะไรเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาะก็จะตอบสองแก่นนะแก่นที่เป็นเหตุคือปัญญาแก่นที่เป็นผลคือวิมุตตนะิเช่นอุปมาว่าน้ําทั้งหลายในในโลกเนี้นะะมันมาจากไหนก็ตามเออเมื่อหลายไปหลายไปมันจะสูก่กระแสสมุทรพอถึงมาสมุทรแล้วมันจะมีรถเดียวคือรถเข็มวันธรรมะในทางศาสนาก็เหมือนกันพูดกันเยอะปริยาต่างๆเยอะ แต่ผลสรุปรวบยอดเนี่ยคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสมันเหมือนกันน้ําที่มีรสเค็มนะครจิตหลุดพ้นจากกิเลตนั้นเป็นผุดเป็นผลรวบยอดแล้วก็เหมือนกันทุกคนนะพอถึงจุดจุดนั้นเขาเรียกว่าทิฏฐิมันสมบูรณ์คนไม่เถียงกันนะครับคนจะไม่เถียงกันแล้วตั้งแต่พระโสดาบันไปเนี่ยเขาไม่เถียงนะแต่ถ้าปุปตตชนน่ยยิ่งเถียงเราจะเห็นว่าคนยิ่งเมายิ่งเถียง คือแสดงมัมันกันเละมากนะะทั้งโลภะโทสะโมหะมากคนเมาเนี่พูดมากแล้วก็เฉียงมากกุ้นวายอาการทั้งกิตเห็นได้ชัดว่าทั้งโลภะโทสะโมหะนี่เขามากปัญญาที่ทรงแสดงจริงๆแสดงมากนะฮะแสดงแสดงอย่างเงี้ยใช้ตรง้ายคำสองคำดีค่อนข้างมากอุญญาตภามินีปัญญา เรือปัญญาที่มองเห็นกระบวนการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของสิ่งต่ อ, ห, อตหลายสิ่งทั้งหลายมายความว่ า, วามันก็เป็นนะฮะคนสัตว์เนี่ยเช่น eben, คนสัตว์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ้านเรือนอะไรต่ออะไรต่ตามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามปกติแล้วเราอะไรล่ะของที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ชอบของที่ดีเกิดขึ้นเราชอบ นะของที่ดีตั้งอยู่เราก็ดีใจของไม่ดีตั้งอยู่เราก็ไม่สบายใจของที่ดีจากไปเราเสียใจของไม่ดีจากไปเราดีใจฟังนะเหตุเห็นไหมว่าการทั้งเกิดขึ้นทั้งตั้งอยู่ทั้งดับไปของสิ่งทั้งหลายเรามีปัญหาทั้งนั้นดีก็มีปัญหานะไม่ดีก็มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราไปบงการเขาถ้าดีเราก็อยากให้เขาอยู่ทั้งๆที่เขาเป็นสังขารธรรมเขาเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปบ้านเบื่องของเขาอะ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอะ ทีนี้ใจเราไปเกาะว่าเธอต้องเป็นอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะนพแก่เราก็เดือดร้อนพอเจ็บเราก็เดือดร้อนพอตายเราก็เดือดร้อนทั้งทางที่เขาเขาเาเป็นเขาเป็นนะฮะก็เป็นอย่างที่เขาเป็นอ่ะก็เป็นธรรมชาติเขาอย่างนั้นเด็กพอดีใจไปเกาะใจไปเกาะแต่พอคนที่เราไม่ชอบเออเราทำไมเราอยากให้ตายอยากให้ตายอยากให้ไปอยากให้ผีไิ บางทีคนคนเหมือนกันก็ก็แสดงว่าใจเราไปกำหนดตัวเองไปปฏิเสธกฎธรรมชาติไอคนที่เราอยากให้ตายที่จริงถึงคราวตายเองเนี่ยเพราะเป็นกระบวนการธรรมชาติคนที่เรารักก็เหมือนกันเราตีเตียนใจไว้ว่าโอกาสหนึ่งก็ต้องจากกันแต่เนื่องจากใจเราปฏิเสธใจเราไปยึดมั่นถือมั่นที่ท่านใช้คําว่าอะไร สังกิตเตนะปัญจุปทานนันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตยึดมั่นถือมั่นในการทั้งห้าเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในรูปในรูปรักษ์อย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นเราเราไม่ชอบเราเสียดายแต่ก็เอานิยายอะไรไม่เคยได้นะฮะตอนเป็นเด็กๆกเราก็ไม่อยากจะเป็นเด็กเราอยากโตเร็วๆพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็อยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่พอแก่ชักจะไม่อยากแก่ ทีนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้เรามองในแง่กระบวนการธรรมชาติหมายความว่ามรรปัญญาเรารู้มันมันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เสื่อมเป็นธรรมดาก็เสื่อมแล้วสิ่งนี้ต้องตายไปธรรมดาก็ตายแล้วเป็นปัญญาที่เกินเกิดเกิดขึ้นกํากับรู้เท่าทันถึงความจริงแล้วก็จิตใจจะไม่แปรผันไปตามความแปรผันของสิ่งเหล่านั้นเราจะเห็นว่าเจะพูดทั้งในแนวของ พิจารณาสังขารทั้งในแนวของธรมธรมะปฏิบัติแนวธรรมะปฏิบัติแนวเบกขาในเบกขานั้นก็คือการทําใจทําใจเป็นกลางกลางมันก็เป็นของเขาคำว่าสโกมิกรมรมายาโดที่เรสวดนะัคือพิจารณาในแง่ของของอุเบกขาศาตร์มันเป็นไปตามกรรมเราจะไปแข่งขืนอะไรไม่ไดนะ้สำนวนจีนเขาเรียกว่าเป็นปรกาศสิทธ์ของฟ้า เป็นความประสงค์ของฟ้าของดินเราไปขัดขืนไม่ได้ขัดขือนองค์การสวัสดิ์ไม่ได้ก็พูดข้าวทีนะพูดกรทิงกันก็เอาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นเทวดากาศิตลงมาเราต้องยอมแต่ไม่ใช่ยอมแบบยอมสยบนะยอมรับความจริงของสิ่งทั้งหลายเราเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราแข็งขืนอะไรมันไม่ได้ เป็นภาพรวมๆเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็น เ, นเนขาเป็นชิ้นเป็นอันนะั้นนะฮะในความว่ามองในแง่กระบวนการการเกิดขึ้นจารตั้งอยู่และการรับไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีนิบเบธิกะปัญญาปัญญาที่แยกแยะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเลาก็จริงมันไม่มีอะไรอย่างแนวที่พูดอะไรสติปัฏฐานนะั่นนะฮะสติปัฏฐานในะเราพูดเรงกายเวทนาจิตธรรมพาถึงจุดหนึ่งถ้าบอกว่ากายก็สักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนาเหมือนกันตัณหาเหมือนกันสังขารเอธรรมะ ก, ก็เหมือนกันตรงนี้พระเจ้าสอนท่ากับพระนในสอนตั้งแต่อาหารนะฮะอาหารอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยากแก้ไขให้มองเป็นท่าปลีกุชัยคาว่ า, า, วานิสสโตนิชีโวสุนโยแชาคา่คันสงคัญนิสัตโตคือไม่ใช่สัตว์นิชชีโวคือไม่ใช่ชีวะสุนโยคือย่อยไปแล้วมันว่าง มันไม่มีอะไรไม่เป็นท้งของเราไม่เป็นทั้งเราแล้วไม่เป็นทางตัวตนของเราเราจะเห็นว่าเราเองมันก็เริ่มจักไม่เป็นเราเริ่มจะไม่มีเรานะยเริ่มจะไม่มีเราแล้วก็เสร็จแล้วมันก็มีขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยต่างๆผ่านการเวลาถึงจุดหนึ่งมันก็มีเรามันเกิดมีเราขึ้นมาแล้ว ต, ต่อมามันก็มีแม่ของเราพ่อของเราพี่ของเราอะไรๆของเราก็มีของเราตามมา ตามมาเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆไปคว้ากันไปเรื่อยไม่หยุดอ่ะเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกวันเป็นตัวเป็นตนเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เข้าใจว่าเราเที่ยงแท้เราจะอยู่ยั่งยืนอยู่ตลอดไปนะฮะจะอยู่ยั่งยืนในตลอดไปก็คือแนวของสักกายทิฏฐิแล้วเราก็คิดว่าถ้าสิ่งนี้เป็นของเราหรือเราเป็นแล้วจะต้องอยู่กับเรา โดยไม่ไม่มองอีกระดับหนึ่งนะเพราะจริงๆบางอย่างแต่นั้นเองที่เราให้อยู่กับเราบางอย่างเราไม่ต้องการเอายศักดิ์ตำแหน่งเอาก็จริงนี่เราชอบในตอนต้นอยากได้ในตอนตอน้ตนต่อมาเราอยากเปลี่ยนแล้วเห็นไหมมันมันก็ตกลงว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วสิ่งที่เราเคยอยากได้ก็ต่อมาไปเป็นไม่อยากได้แล้วสิ่งที่เราเคยไม่อยากได้ต่อมาอาจจะอยากได้ ก็สรุปทั้งหมดทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองดังนั้ น, น, นท่านท่าก็บอกว่าเป็นนิบเบติกะปัญญาปัญญาที่ชำแรกคล้ายๆล้ายกับชำแหลตัดตัดความเกี่ยวเกาะความยึดมัน่นถือมัน่นในสิ่งทั้งหลายนี่ออกไปเป็นวิปัสนาปัญญานะฮะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิปัสนากรรมฐานก็คือวิิวปัสนานัดนเองอย่างที่บอกว่าเราพระเจ้าทรงสอนโดยสรุปหรือทรงใช้กรรมสมถะกับวิปัสนาสองคำ ขึ้นก็หมายความมันโดยภาคปฏิบัติมันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาแต่างที่ก็ใช้คํำต้องคำํำนะฮะธรรมถะธสมโถจจะวิปัสนาจะสมาธิด้วยวิปัสนาด้วยตรงนี้คือส่วนเหตุนะตรงนี้ส่วนเหตุที่จริงมันหมดแล้วนะะคําสอนแค่นี้มันก็หมดแล้วในส่วนเหตุเนั้นเราสังเกตว่าศีลถ้าเสียดถ้าเข้าอริยมรรคก็คือสัมมาวจาการงดเว้นจากการพูดเท็จ สอเสียดงดเว้นจากการพูดสอเสียดงดเว้นจาการพูดคำหยาบงดเว้นจาการพูดเหลวไหลแล้วก็งดเว้นจากการทํำลายชีวิตร่วงละเมิดในทรัพย์สินแล้วก็ประพฤติผิดในทางประเภณนี้แล้วก็เลี้ยงชีพในทางที่ชอบธรรเห็นไหมว่าสีนเอาจริงมันมีสามข้อตอน น, นนั้นเด็กสินเนี่ยได้นับกันว่าแปดหมืนสีปน่ปนานับไปเรื่อๆยๆนะจริงๆมัมีสามข้อะะตอนนั้นเองถ้าเรารักษาได้ก็จบละ ก็ไปไปไปใต้เพิ่อกลับมาเมื่อคืนนะฮะก็ไปคุยกับพวกขา้ขาราชการบอกว่าทำยังไงล่ะคุณระวังตรงนี้ให้ได้คุณระวังทั้งสี่อย่างที่จริงสามอย่างก็พอนะฮะามอย่างก็พอคือ ป, ปัญหาในชีวิตของราชการเราสืบสารประวัติศาสตร์มาเลยว่ามนุษย์เนี่ยม น, มนุษยชาติทั้งหลาย มีปัญหามันมีปัญหาเรื่องเพศมันมีปัญหาเรื่องอาชีพเรื่องการเลี้ยงชีพเรื่องการครอบครองสิ่งทั้งหลายแล้วก็ปัญหาที่เกียกเเก่ยวกับสิ่งเสพติดปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดไดโทษทั้งหลายนะฮะแล้วจะเห็นว่ามันจะมีอยู่สามเรื่อ ง, องนี้หมายความว่าสิ่งที่เราได้มาทั้งการแสวงหาและการครอบครองบางครั้งเราไม่แสวงหาแต่คนออกมาให้ อะเป็นสมโจรเป็นร่วมมือกับโจรรับฝากของโจรอะไบางทีเราเสาะแสหามาเองแล้วก็ปัญหาเรื่องเพศปัญหาปัญหาเรื่องเงินนะฮะปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องเพศต่วปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดพอถ้าเป็นข้าราชการที่จะรักษาวความเป็นข้าราชการให้ได้เนี่ยเอาตัวนี้ให้ได้ทรงสแสดงว่าพระอาทิตย์พระจันท ร, ร์จะเศร้าหมองนี่โยเหตุสีประการแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอด เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ได้เพิ่มเหตุที่ห้าขึ้นมามีหมอกมีควันมีทุลีที่ล่องลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็มีจันทรุปราคาสุริยุปราคาพระจรานทร์พระอาทิตย์ทุกครั้งถ้าเจอพวกนี้แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามสักอย่างเดียวนะฮะเศร้าหมองเพราะคนเราแต่ท่านยกตัวอย่างพระนะฮะยกตัวอย่าง ซึ่งซึ่งึ่ ง, ง, งมามองมานานนะจากจากจุดนี้พยายามพยายามเกาะกลุ่มดูนะพยายามเกาะกลุ่มอ่านข่าวอ่านข่าวพยายามเกาะกลุ่มอันนี้ที่ทรงแสดงไว้เนี่ยมันก็อยู่ในกรอบตรงนี้อยู่คือพระเราจะทราบมองได้เหตุเหตุสี่เหมือนกันนะข้าราชการก็เหมือนกันก็คือเรื่องเรื่องที่ว่ามาแล้วแต่ว่าทรัพย์นั้นจะแบ่งเป็นสองอย่างนั่นคือการแสวงหากับการเลี้ยงชีวิต อาจจะผิดที่ใดที่หนึ่งก็ได้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้แสวงหานะคนเอามาให้ก็ดึงแยกมาอีกทีหนึ่งอย่างาพระเนี่ยบางบางที่เราไม่ได้แสวงหาอะไรโยมามาให้เอาโยมาของหนีภาษีมาให้เราเลยแย่เลยอันนี้คืคือคือเป็นช่วงของการครอบครองแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าคนคนถวาย สมมติว่าบางทีเราไปต่างประเทศมาลุงพ่อขอผากนี้ใส่กระเป๋าไปหน่อยหอมมาอย่างดีใส่ประบปไปก็ไม่รู้อะไรถึงรับเข้ามาแลวก็แย่มันก่อนลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็กไปไปอินเดียนี่ก็สึกมีคนจะจัดของให้ก็อัดตนาฬิกาใส่ปนไปในกระปิต้องไม่รู้กี่โลเลย นี่ไม่รู้เรื่องเลยโยมจัดให้เรียบร้อยเพกระกล่องเรียบร้อยไปถึงกันกระต้า ก, ก็เจอกเออในอกาไปกระตักกระตากไอ้เ น, นี้เห็นไหะเราเราไม่ได้ทําอะไรเลยทําอะไรเลยแต่ว่าคนเอามาให้ตรากลีดเรื่องความผิดไม่ได้เพราะงั้นมันมันต้องระวัดระมัดระวังทั้งในช่วงของการสบยหาและช่วงของการรับจะต้องไม่มีปัญหาในจุดนี้แล้วก็ปัญหาเรื่องสิ่งศัิ์ เป็นความเศร้าหมองของชีวิตแต่เราป้องกันตรงนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันมันรักษาตัวยากนะฮรับให้เราต้องเกตีกทีหนึ่งว่าเป็นโลภหลงเนะื้ะเป็นอาการก็โลภหลงเรื่องเพศก็เรื่องโลภหลงเรื่องการถือครองการแสวงหาก็โลภหลงนะฮะสิ่งเสพติดก็โลภหลงหลงเมากก็โลภอีกเป็นอาการของโลภหลงแล้วมันพร้อมจะโกรธนะฮะพร้อมจะโกรธ เรื่องเพศใครขัดขวางก็โกรธเรื่องการแสวงหาใครขัดขวางก็โกรธเรื่องสิ่งเสพติดใครขัดขวางก็โกรธมันพร้อมจะโกรธเป็นอาการที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงศีลนะเราจะพบว่าพอเข้าเรียนมากท่านพูดแค่สามข้อเท่านะั้นเองสัมมาวาจาสัมมาการตาสัมมาชีวะจบแล้วจบแล้วจริงๆเลยไม่ต้องไปนับหลายข้อ ศีลตรงนี้ชาวบ้านเราไม่ค่อยสมาทานเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาชีวมัตตกะศีลโยมลงนับดูนะฮะแปดข้ออาชีวมัตตกะศีลมันเราก็มีศีลห้าศีลห้าศีลแปดศีลแปดกัศีลบูชดที่จริงเหมือนกันในช่วงระยะเวลารักษาต่างกันแต่นั่นเองอุโบสถนั้นรักษาวันหนึ่งคือหนึ่งพอแล้วนะฮะแต่ถ้าศีลแปดนั้นรักษาได้เป็นเดือนเป็นปีอาชีวมัตตกะศีลนั้นเป็นศีลในอริยมรรต รักษายากกว่านะฮะรักษายากกว่าเพราะมีสัมมาวจางกตเว้นการพูดเท็จสวดเสียดเพื่อเจอเหลวไหลแล้วก็อืมคําหยาบแล้วก็เพื่อเจอเหลวไหลแล้วงดเว้นปาณอธิบายทินาทานกามีตมิจารย์เป็นเจ็ดแล้วก็อาชีวะอาชีวะนี่รักษายากมากแล้วในปัฏิบัติใน ย, ยิ่งรักษายากอาชีวะให้บริสุทธิ์นี่รักษายากมากๆเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตเรานี่ยมันมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเยอะ เพราะนั้นทำยังไงคือสํารวมระวังพระเจ้าทรงสอนว่าการสํารวมระวังนั้นเป็นหน้าที่ของเธอคือคนอื่นทําในเราไม่รู้นะเช่นสมมติว่าพระเราจะจะเดินข้ามด่านภาษีนะสมมติว่าไปรถไกันเนี่ยเรารู้ว่าเขาซ่อนของหนีภาษีไปเราไปเขาเนี่ยปรับประบัติเนี่ยปรับประบัติเพราะงั้นอย่าไปรู้อะไรมากเลยเพราะอย่างย่งรถไฟเราอยรู้ได้ไงเพราะงั้น คือเราเองไม่ไม่รับรวยสัมรวมเฉพาะเราต่วนั้นเองเราไม่รับรู้อะไรแต่ถ้ารู้เนี่ยเราก็ไม่ไปแต่ท่านนั้นเองอาชีวะจึงรักษายากการเลี้ยงชีพเนี่ยในในปัจจุบันยิ่งค่อนข้างยากยากหนักขึ้นไปอีกโดยเฉพาะยิ่งคือค่านิยมในสังคมเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะหมายความว่าถ้าได้ใช้ของหนีภาษีมีเล่าเถื่อนมีโทรทัศน์เถื่อนมีดีโอถือน่นมันสง่ามากเลฮะ บ้านคนใหญ่คนโตบางทีเถื่อนนั้นน่ะของเถื่อนนั้นน่ะมันสังงานะฮะมันมันมันเป็นโรคกรดยังไงชอบกันคือชอบมันมันแส ด, แดงอะไรก็ก็นึกไม่ออกนะฮะนึกไม่ออกว่าของอย่างเนี้ยที่จริงมันเป็นตรา บ, บาปนั่นเป็นตรา บ, บาปภายในใจเราแต่เราก็ไปภาพคภูมิชื่นชมเรื่องตอนนั้นทีนี้พอสมาธิมันก็คืออะไรก็คือสมาวายามะความพยายามชอบตั้งสติชอบตั้งสมาธิมันเจ้าก็เป็นสมาสมาธิ ปัญญามันก็คือสมาริจิตสมารถสังกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่จริงคืออริยมรรคจะมาให้สามข้อจริงๆคืออริยมรรคในองค์แปดประการต่อไปอวิมุตมติสาระหรือวิมุตติขัหมายความสภาพจิตที่มันหลุดพ้นจากกิเลสมันจะมีอยู่สองระดับก็ เ, เรียกว่าหลุดพ้นที่กำเริบได้กับหลุดพ้นแล้วไม่กำเริบกำเริบได้นั้นมีสองระดับระดับหนึ่งก็หลุดพ้นในชีวิตประจําวันของเรานงฮะ บางทีตรงเนี้ยไม่โกรธอ้าววันนี้ไม่โกรธมรืนนี้โกรธเลมันก็ อ, อนิยายนี่มันเคได้เรื่องนี้ไม่โลบอ้าวตอบต่อมาก็โลบก็ก็ ก, ก, ก, ก็ก็พ้นไปได้เป็นขณะขณะอย่าหนึ่งเมือนการหลุดพ้นจากอํานาจกิเลสด้วยสมาธิด้วยฌานนั้นหลุดพ้นจากเท่าที่ยังมีฌานอยู่ที่จิตนะฮะเหมือนกับตะกี้ที่พูดเลยยังมีเสือลําแผนปูอยู่ ไอ้สิงตรงนั้นก็ไม่สกปรกไม่เห็นสกปรกนะไม่ใช่ไม่สกปรกแล้วต่อไปพ้นด้วยตัดขาดตัดขาดก็ตัดขาดตั้งแต่วัศวนาบัตไปทีนี้ภาพของการตัดขาดเนี่ยท่านท่านเรียงให้เราเห็นไว้สามระดับหนึ่งคือตัดขาดเขาเรียกสมุทรเฉดตัวมันคือตัดขาดไปแ ล, แล้วก็สองนั้นเรียกว่านิสระวิมุตติหมายความหมกพ้นด้วยการออกไปจากสิ่งนั้นจิตมันออกจิตมันถอนออกมา เคยเห็นเล้าเขาไม่อยากดื่มไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่อยากสูบบุหรี่ไม่ไม่อะไรอนะฮะหมายความว่าสิ่งเหนั้นที่จริงมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเราดึงจิตเราออกมาจนถึงก็ออกมาจากทั้งสารวัตรแล้วก็ปฏิบัติสสธิวิมุตติคือสงบเห็นได้ยินได้สุดดมได้ลิ้มได้จับต้องจิตไม่กําเริบเบีอะนนักของจิตเลยแต่ยังยังเห็นยังยังได้ยินนะนะฮะยังเห็นยังได้ยินยังสูดดมยังลิ้มได้จับต้องอยู่เพียงแต่ว่าจิตไม่ เกิดยินดียินร้ายเนี่ยอารมณ์แบบนั้นมันก็เกิดความคิดอะไรคือสักแต่ว่รู้สัตว์เสแต่ว่าสิ่งสักแต่ว่ารถเนี่ยนะฮะอาการเหล่านี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าที่จริงเราก็เป็นนะเป็นได้เยอะเหมือนกันเดี๋ยมันยุ่งนิดหน่อยมันคือใจมันไขว้คว้าให้ท่านลองดูท่านเข้าไปห้างสรรพสินค้าเยอะเลยท่านมันเมินสินค้าบางตัวเยอะแยะเหมือนท่านเมินเลยไม่ดูเลยสายตาแวบเดียวไม่ดูเลยไม่อยากได้แม้แต่นิดเดียว แต่งว่าตรงนี้ไม่มีกิเลสนะฮะแต่ทีนี้มันเปลี่ยนกิเลสไปของแพงกว่านั้นนะมันยุ่งกิเลสไปทราไปที่ของแพงกว่านั้นเพรางนั้นลักษณะรูปสักดิตวรูปเสียงแต่ว่าเสียงเยอะเราทําได้นะเราทําได้เยอะเกันแต่ว่าทําได้ไม่ตลอดมีเยอะเราไม่สนใจเสียงเยอะกลิ่นเยอะรสเยอะสัมผัสเยอะที่เราไม่สนใจได้เพราะในศักดิ์แต่วรูปสักดต่วเสียงศักิกลิ่นสักดิ์แต่รสศักดแต่ว่าเย็นร้อนน่อแข็งเป็นจิตเราทุกคนเนี่ยทำได้อยู่แล้วระดับหนึ่ง เพียงแต่ว่าทำไม่ได้ทั่วไปตรงที่เราทำได้มันก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นแต่ว่ามีปัญหาตอนที่เราทาไม่ได้ส่วนของท่านท่านท่านตัดขาดแต่ว่าสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งมีอยู่ในโลกมันเราหนีเขาไม่ได้นะฮะเราก็อยู่กับเขาอะใจเราอย่าไปวุ่นวายอย่าไปเกี่ยวกเกาะกันแล้วกันประเด็นต้องคำวาอยู่ที่ใจวิมุตติยานัทสนะ แปลว่าความรู้ความเห็นในวิมุตต์หมายความว่าเหมือนกันเหมือนกับท่านหายป่วยเนี่ยเรารู้เห็นเองกันแะล้วธรรมคุณบอกว่าสันติโกกับปัจจตังมฤตโวโยตมันแสดงทึ้งตัวปฏิเวทคือตัวผลที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครบอกใคระนะหวานยังไงเปรี้ยวยังไงมันยังไงหอมยังไงเหม็นยังไงก็พิสูจน์ด้วยประสาทของเราเองตรงนี้เป็นสัมผัสทางใจมันเหมือนกับสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นไหมบ่อนี้สวยสวยยังไงเราอธิบายไม่ได้เลย เอาดูสิต้องส่งให้ดูเองโอั้นี้อร่อยนะอร่อยยังไงอธิบายไม่ได้โอ้ชิมดูสิเห็นนะมสัมผัสท่าข้างต้นเนี่ยเป็นตัวอย่างเรียนสัมผัสที่หกแต่สัมสัมผัสทั้งหลายเอาจริงเนี่ยอธิบายไม่ได้ไมันเปเรื่องสัมผัสตรงทุกคนต้องสัมผัส ด, ด้วยตัวเองเพราะงั้นความว่าจิตหลุดพ้นเนี่ยท่านจึงเรียกว่าวิมุตติยาณทัศนะเรียว่าความรู้ความเห็นว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วเหมือนกับเราหายป่วยเราก็ เราก็รู้เองนะคเราหายได้ไหมหายอิ่มแล้วยังเห็นไหมคนอื่นอธิบายไม่ได้ต่างคนต่างกินถามว่าอิ่มแล้วยังก็ใครกินคนนั้นก็ตอบเลยมันไม่มีใครตอบได้อิ่มแล้วยังมันมั น, ม, นมันเป็นเรื่องของเรานะเรื่องของเราแต่ละคนเห็นไหมว่าธรรมะตรงเนี้ยมันมันเป็นผลที่ชัดเจนเราต้องรู้ด้วยตัวเองถ้าหามาเกิดเกิดหายกันไหมตรงนี้ที่จริงแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวแต่นั้นเองตงนี้สามข้อเนี่ย ปัญญาวิมุตติมุตติญาทัศนะแป๊บเดียวเหมือนก็จับเหมือนก็จับปับ๊บจับน้ําแข็งปับ๊บเย็นปับ๊บแล้วก็รู้ว่าเย็นปั๊บต่อกันนาทีเลยถามว่ากี่นาทีมันมันมันนับนาทีช้าไปแต่ว่าธรรมะเวลาพูดสูงเนี่ท่านพูดเป็นขณะจิตองธรรมทั้งห้าข้อ น, นี้นะะเรียกว่าธรรมะขันเรียกว่าสาระสารธรรมหรือว่าธรรมขัน เป็นธรรมะที่ส่งแสดงโดยสรุปหลักรัตนาก็สรุปไว้ตรงนี้สรุปไว้ตรงนี้ก่อนอย่างนี้พ่านก็มาสรุปตรงนี้เรามาสรุปเรื่อยมาจนถึงเหลือเหลืออัปมาทคําเดียวทรงแสดงว่าคนในโลกนี้มันมีอยู่สี่ประเภทประเภทแรกเนี่ยตัวเองไม่สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็ไม่ได้ชักชวนคนอื่นให้สมบูรณ์ด้วยศีลไม่สมบูรณ์ด้วยสมาธิก็ไม่ชักชวนคนอื่นไม่สมบูรณ์ด้วยปัญญาด้วยไม่ไม่ชักชวนหมายความว่าตนก็ไม่มีแล้วก็ไม่ไม่ได้ช่วยเหลือ คนอื่นอันนี้เรียกว่าไม่ทำประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่คนอื่นเป็นอะไรเป็นคนที่ที่ที่มีอยู่สักว่าลมหายใจจำนวนกระจคยคำเดียวมีอยู่สักว่าลมหายใจข้าออกแค่นั้นเองเกิดมาแล้วก็ตายไปไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับตัวเองและคนอื่นนันคือกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มที่สองเนี่ยหมายความว่าตนสมบูรณ์ด้วยศีล สมบูรณ์ในสมาธิสมบูรณ์ในปัญญาสมบูรณ์ในวิมุตต์สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทานพูดง่ายว่าสมบูรณ์ในธรรมะห้าประการเนี่แต่สมบูรณ์ตัวเองไม่เคยชวนเพื่อนเลยไม่ชวนเพื่อนรักษาศีลไม่ชวนเพื่อนให้เจริญสมาธิไม่ชวนเพื่อนให้พัฒนาปัญญาไม่ชวนเพื่อนให้ได้ลิมรสของวิมุตต์วิมุตติญาณท า, านไม่ชวนเลยมันก็ทําได้เฉพาะประโยชน์ตัวเองดีส่วนตัวนะฮะดีส่วน แต่ว่าไม่ได้ทํ<ม>าตนประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหนึ่องอีกพวกหนึ่งตัวเองไม่มียนะฮะไม่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิบูตรมุติยะทัศนะไจะชวนเพื่อนนะชวนเพื่อนแนะนำสั่สอนเขาบอกกล่าวเขาอธิบายเขาเพื่อเขาสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ในสมาธิสมบูรณ์วยปัญญาสมบูรณ์ในวิมุติยะทัศน์ตั น, ต น, นี้ชื่อว่าเป็นพวกที่ทําประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอื่นนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทําประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเอง 3, พวกที่สามพวกที่สี่สูตรที่สี่นะฮะมากวามากวาว่าที่จริงสี่สูตรนะสี่สูตรพวกนี้จะทำทั้งสองฝ่ายหมายความว่าตนสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้สมบูรณ์ Noise. ด้วยศีลด้วยตนสมบูรณ์ด้วยสมาธิแล้วก็ชวนคนอื่นให้สมบูรณ์ด้วยสมาธิ olha, ด้วยตนสมบูรณ์ด้วยปัญญาแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้สมบูรณ์ด้วยปัญญาตนสมบูรณ์้วยมุตแล้วก็ชักชวนคนอื่นแบบพระอรหันต์ทั้งหลายนะฮะแบบพระอรหันต์ทั้งหลายนี <S <S ่ย <orns. S 1> ทำงานแบบพระอรหันต์ทั้งหลาย ประหานั้นท่านสมบูรณ์ในตัวท่านาก่อนพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้ท่านสมบูรณ์ในตัวท่านก่อนแล้วท่านก็สอนคนอื่นนี่คือคือยอดคนนะฮะท่านท่านหลายโารนรเก็บมันก็มีอยู่สี่เพศทีท่นี้สี่ประเภทตรงเนี้ยมันไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นหมายความว่าคนเราถ้าเราแบ่งแบ่งประเภทบียดเบียนตนเองบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นนะฮะทำประโยชน์แก่ตนเองทำประโยชน์แก่คนอื่น ไม่ใช่ไม kind of ่งดเว้นงดเว้นการเบียดเบียนตนเองงดเว้นการเบียดเบียนบุคคลอื่นงดเว้นการเบียดเบียนตัวตนเองและบุคคลอื่นนี้คือสีระดับสีระดับสามแรกเนี่ยสัตว์แต่ไม่ไม่ไม่จะสีเลยเป็นวิธีการแบบสัตว์คือเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนตัวตนเองและบุคคลอื่นวิธีของธรรมะก็คือฉันต่อไปจะทําประโยชน์แก่ตนเองทําประโยชน์แก่คนอื่นทำประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่น เห็นไหมว่ามันก็แบ่งเป็นทรารก้า9เป็นลนักษณะคนกลุ่มคนในโลกเต็มที่เนี่ยมันจะก้าวประเภทแต่ในพระบา ล, ลยยีมที่แสดงสิบสองเลยนะฮะสิบสองเนี่ยแสดงว่าประณีตขึ้นไปมากก็มายความมาขยายไอ้สามสามชุดข้างบนเนี่ยขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นสิบสองเป็นสิบสองระดับต่อกันเป็นรูปพัฒนาชีวิตซึ่งมาจากไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะะเอาขึ้นไป ในแนวนี้ทรงแสดงแม้ในเรื่องอื่นไม่ได้เจาะจงเฉพาะตรงนี้นะฮะเช่นว่าในเรื่องการทําทานการมาเป็นทานมันก็คือทานศีลภาวนาเหมือนกันจะแยกเป็นสี่ประเภทเช่นกันใาควางคนบางคนไม่บริจาคทานโดยตนเองด้วยไม่ชักชวนบุคคลอื่นด้วยเห็นไหมเหมือนกับประเภทแรกแต่ว่าเปลี่ยนเท่านั้นเองเปลี่ยนองค์ทำชุดนี้ก็พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาปิมุติปิมุติย า, านาตนะตรงนี้พูดเฉพาะถาน คนบางคนนั้นไม่ให้ทานโดยตัวเองไม่ชักชวนบุคคลอื่นให้ให้ทานมันไม่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรกับใครๆเลยนะก็บอกไม้ลอยน้ยํากันดีกว่าเขาบอกไม้ลอยน้ยํากันดีกว่าประเภทที่สองก็คือให้ทานโดยตัวเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นเหมือนกันอะไรเหมือนกับการมีศีลสมาธิปัญญาพิมุติมรติยานุสัตตนาโดยตัวเองแต่ไม่ชวนใครไม่สวน คนบางพวกนั้นชวนก็ดื่นเก่งนะเป็นหัวหน้ามรคทายกชวนเพื่อนทําบุญเยอะเลยเมื่อคืนนี้นั่งรถมาลูกศิษย์มันเล่าถึ่คนรวยมากกว่าหนึ่งนะแกบอกโอ้โหมันดูเดือดจังเลยไม่เคยจ่ายอะไรรถก็ใช้ของหลวงใช้ลูกน้องไปทำงานในจ่ายเงินหลวงหมดเลยแล้วไม่เคยรางวัลเคยแม้แต่สิบบาท ดูเดือดจริงดูเดือดจริงได้มรดกเป็นร้อยล้านเน่ยนะได้มรดกเป็นร้อยล้านไม่ให้ใครมันนั่อันนี้คือคือคื อ, คอว่าไม่ทําประโยชน์อะไรแกตนเองแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยจ่ายนะฮะตัวเองก็ไม่เค่อยจ่ายจำนวนบาลีท่านเรียกว่าเหมือนสะโบกันีที่ผีเสือเเส้อยักเขาวงแหนผีเสื้อยักตัวเองก็ไม่ได้กินนะฮะแล้วไม่คนอื่นกินด้วยน้ำมันก็อยู่อย่างนั้นเอง น, นั้นในสัพพโ ก, กณีที่ปิศสยัก็หวงแทนคนประเภทต่อไปก็หมายความว่าให้ทานในตัวเองแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้ทานเห็นไหมทำประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่แก่คนอื่นเป็นธรรมะปฏิบัติมันมันโครงสร้างแม่บทอยู่ที่พระพุทธเจ้าท่านหลายเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในชุดที่สี่ในความว่าสมบูรณ์ณตัวเองแล้วก็ ชักชวนบุคคลืนให้สมบูรณ์ประชุดทานก็คือให้ทานในตัวเองแล้วก็ชุนบุคคลนี่ให้ทานเรียนหนังสือตัวเองในชวนบุคคื่นให้เรียนกินในตัวเองแล้วก็แบ่งให้เพื่อนอื่นกินบงมันก็โครงสร้างอย่างเดียวกันตรงนี้คล้ายๆกับคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับบล็อกคล้ายๆกับบล็อกสําเร็จรูปเนี่ยมันจะไปจับคนได้ตลอดทุกเรื่องเราคิดได้ทุกเรื่องเลยนะฮะจากจากว่าไม่ดีทั้งคู่ ดหนึ่งไม่ดีหนึ่งดีหนึ่งไม่ดีหนึ่งแล้วก็ดีทั้งสองเหมือนกับว่าตะกี้นะฮะยักษ์อยู่ร่วมกับยักษกินีไม่ดีทั้งคู่ยักษกินีอยู่ร่วมกับเทพบุตรดีหนึ่งไม่ดีหนึ่งเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์ไอ้นี่ดีหนึ่งไม่ดีหนึ่งเทพบุตรอยู่ร่วมกับเทพธิดาดีทั้งสองเห็นไหมฮะมืดมามืดไปไม่ดีทั้งสองมืดมาสว่างไปดีหนึ่งสว่างมามืดไปดีหนึ่งไม่ดีหนึ่งสว่างมาสว่างไปดีสองนี่มันจะเหมือนกันหมด เป็นสูตรที่เราจะคิดอะไรได้ทั้งหมดทุกเรื่องเลยเอาเอ า, เอาตัวเนี้ยมันมันมันจะเป็นคล้ายๆกับบล็อกอย่างไร้ว่านี่ยสาเร็จรูปเลยกดปับ๊บก็ไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นตัวประธานตรงนี้พูดเรื่องทานก็ได้พูดเรียนหนังสือก็ได้นะพูดบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ก็ได้พูดเรื่องกวาดขายะก็ได้ปลูกปลูกต้นไม้ก็ได้นี่ทันสมัยหน่อยอะไรก็ได้นะไม่ปลูกโดยตัวเองไม่ชวนมุกคนอื่นให้ปลูกนะ ชวนบุคคลอื่นให้ปลูกแต่ตัวเองไม่ได้ปลูกหรือว่าปลูกด้วยตัวเองแต่ไม่ชวนใครหรือว่าชวนเพื่อนด้วยแล้วก็ปลูกด้วยเห็นไหมเราจะใช้ได้ทั้งหมดก็คือแนวที่บอกว่าเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนบุคคลอื่นนะนั่นก็คือเรียกว่าไม่ดีทั้งสองอย่างบางทีก็เบียดเบียนบุคคลอื่นแต่ไม่เบียดเบียนตัวเองมันก็ดีอย่างนึงนะไม่ดีอย่างหนึ่งเราจะจับได้ทุกเรื่องเรื่องแกงหรืออาหารเนี่ย อาหารผลไม้เช่นเช่นว่าดอกไม้ไอ้นี่รูปก็ไม่สวยกลิ่นก็ไม่หอมเห็นไหมรูปสวยกลิ่นไม่หอมรูปไม่สวยกลิ่นหอมรูปสวยด้วยกลิ่นหอมด้วยมันจะเหมือนกันเลยเป็นสูตรพระเจ้าจึงใช้ยหยิบตรงนี้มามาสอนมาเยอะแยะไม่ได้ไม่ได้ว่าใไรแต่ว่ายกตัวอย่างมาให้ดูเป็นการแสดงนะฮะก็เรียกว่าเป็นการแสดงธรรมเทศนาก็คือแสดงธรรมะ ธรามะนี่มันมันมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันมีอยู่อย่างนี้ในโลกแล้วมีอยู่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแสะดงถูกบัดมามันแสดงให้ดูว่าโลกมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เลือกเอาธรรมะในศาสนาจึงมีลักษณะอย่างนี้ลักษณะของการสแสดงนะแสดงเกลืนเทียดูไม่ใช่สอนอะไรแล้ะพระเจ้าไม่ค่อยสอนอะ่ะสอนส่วนมากจะสอนพระนะฮะพระนั่งไกลๆเนี่ยจะสอน ในถ้าแท้แกสาธาชนไปจะมีรูปการแสดงอย่างเงี้ยรูปการแสดงให้คิดเอาเองพูดว่าพูดให้คิดนะฮะพูดให้คิดเอาเองพิจรารณาเองว่าจะเลือกเอาอยัางไงเช่นเช่นว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุราชรุตที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่ไอ้โลกมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวอย่างคนที่อยู่ในโลกมันมีอยู่สองกลุ่ม โลกใบเดียวกันนะฮะมีคนอยู่ในโลกสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือข้องติอยู่ในโลกผู้่นึงจะไม่ข้องแล้วก็อยู่ที่ไหนอยู่ในโลกนี้ไม่ได้บอกว่าเธอจงเธอจงเป็นผู้ไม่ข้องไม่ต้องบอกเธอเลือกเราเองเพราะเธอเป็นวินยูชนเธอต้องเลือกเราเองพระเจ้าจะแสดงให้ฟังอันนี้จาวตสังการายนะฮะสังขารทั้งหลายทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วจงดับไป การเข้าไปสงบระ ง, งับในสัตว์สังขารทั้งหลายเหล่านั้นจะได้ก็เป็นความสุขไม่ได้บอกนะบอกว่าเธอต้องสงบระ ง, งับในสัตว์สังขารในได้นะต้องการความสุขไม่ได้บอกหรอกแต่พูดถึงการเห็นไหมพูดถึงการไม่พูดถึงกา ร, งการสงบระ ง, งับในสัตว์ทั้งหลายจะได้ก็เป็นความสุขแต่เราอยากมีความสุขก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นนั่นคือแนวของพุทธศาสนาะเป็นแนวที่ต้องการสะท้อนสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นการกระตุกให้คิด นะชวนให้คิดแล้วก็มาตรวจสอบดูเราว่าเราเนี่ยเป็นไงเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตต์มีมุตติยานะศาสนะในระดับตระระหนึ่งหรือไม่นะถ้าเรามีเราเคยชวนคนอื่นหรือเปล่าอย่างที่บอกนะฮะญาติโยมบางคนรักษาศีลแปดระลูกหลานก็เกาะไม่ได้คุยไม่ได้นั่งตักไม่ได้ปัดยุ่งไปหมดเลยกลัวศีลจะขาดหมาเคร่งจังเลยอย่างนี้ก็แย่เลยนะ มันไม่ได้เคร่งขนาดนั้นนะนะะไม่ได้เคร่งขนาดนั้นหรอกวินินัยของพระเจ้าไม่ใช่ไปผ่าบ้านก็แตกอย่างนี้นที่จริงแล้วก็เรียกว่าอาคาริยะวินยัยวินัยของชาวบ้านวินัยของชาวบ้านมันก็ไม่ได้แปลกอะไรข้ามเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวแต่นนั้นหนึงอย่างอื่นก็ไม่ได้หว่าอะไรนะฮะอุ้มลูกอุ้มหลานอะไรก็เลี้ยงดูลูกหลานสั่งสอนลูกหลานตั้งวงอัคุณตาคุณยายกลับจากวัดมานั่งเล่านิทานในหลังฟัง อนะยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความรักความเป็นดูเอ้ลูกหลานมาเกิดศรัทธาเอ้คุณยายตั้งแต่เข้าวัดไม่กี่ปีนี้ดีขึ้นเยอะเลยท่นนี้เมื่อก่อนในขี้บนน่นปากเปลี่ยปากแชะนักโฆษณาเทศน า, าไปด้วยนะเทศนาต่างสอนธรรมตรงนี้กําลังจะต้องต้อ ง, องรณรงค์ไงรณรงค์เพราะว่าเรายัางยังเข้าใจประเด็นตัวเนี้ผิดแล้วก็ไปปลีกตัวเองบางทีก็ปิดประตูอยู่ในห้องเลยไม่ยอมสรงสิ่งอะไรไปรักษาสีทุบสุเคร่งจังไง พระรักษาศีลมากกว่านะพระยังคุยกับชาวบ้านอยังไง น, นะเราออรักษาศีลแปดตอปิดประตูล็อกกุญแจเลยลูกหลานข้าไม่ได้ลูกหลานลูกหลานเกลียดวัดน ะ, นะนี่คืออันตรายว่าเวันนี้เราเราไม่ได้มองถ้าเรามองประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าสัมปติหลานพระเจ้าอาโศกเนียกลียดพระมากเลยทำไมพระเจ้าอาโศกไปรักพระมากแล้วไม่ได้ดูแลใจใส่แค่นะ ทำให้แกเกลียดพระว่าเพราะมีพระเนี่ยแย่งปู่ไปทำให้ปู่ไปอยู่กับอยู่กับพระเสรมากเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องให้เป็นประโยชน์ทั้งแกเราและแกคนอื่นถึงเป็นหลักการสำคัญในทางพุทธศาสนาวันนี้ก็ขอจิตไว้ในเวลานี้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านสาธารหลายโดยทัวกันทุกท่านคือ